พวกเราหลายคนในที่นี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะบางคนตัวอยู่นี่แต่ใจไปถึงบ้านแล้วนะบางคนก็เติีมตัวกลับบ้านแต่เมื่อคืนแล้วนะเมื่อกลับบ้านนะก็อย่าลืมนะกลับมารู้สึกตัวด้วยกลับถึงบ้านแต่ถ้าไม่กลับมารู้สึกตัวนะมันก็เรียกว่า ยังไม่ได้ถึงบ้านที่แท้จริงบ้านที่เราจะกลับไปบ่ายนี้เย็นนี้มันเป็นบ้านของกายเท่านั้นแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยอาจจะอยู่สักอีกสองสามปีแล้วก็ย้ายไปบ้านหลังใหม่ถ้าบ้านอย่างนี้เนี่ยมันให้ความ ปลอดภัยคุ้มร้อนคุ้มหนาวก็จริงแต่ก็เป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาอันนั้นก็ยังไม่ทอาไหลนะแต่เวลาที่ข้อหามยามลายก็อาจจะถูกยึดหรือว่ า, าเสื่อมทรมพังทลายลงไปที่สำคัญคือว่า แม่บ้านจะราคาแพงแค่ไหนเนี่สิ่งอำนวยความสุดวกอย่างไรมันก็ไม่ได้เป็นรับประกาศได้ทำให้สุขใจได้เสมอไปบางทีก็ทุกข์ใจด้วยนะเพราะว่าหลังคารั่วสีลอกหรือว่าต้องคอยผ่อนบ้านหรือบางทีก็รู้สึกเป็นทุกข์ที่เห็นบ้านคนอื่นเขาดีกว่าหลังใหญ่กว่า มีต้นไม้เนะี่ยเขียวครึ้มก่าบกลายเป็นทุกข์ไปซะอีกการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยนะมันจะให้ใจเราได้มีบ้านอย่างแท้จริงบ้านที่เราสร้างเนะี่ยก่อ้วยอิฐสร้างไดยปูนเนี่ยมันแบกไปไหนไม่ได้เรามาอยู่นี่เราก็ห่วงเราก็นึกถึงบ้านหลังนั้นเพราะว่า มันอยู่กับที่แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเป็นบ้านของใจเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สึกว่าห่างบ้านคือว่าใจอบอุ่นจะเข้าป่าอยู่บนถนนจะมาวัดก็ยังรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย าการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะก่อนที่ตัวจะถึงบ้านเนี่ยก็ให้กลับมารู้สึกตัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะแล้วเราก็จะได้บ้านของใจในเสียวแต่วินาทีนี้ในทั้งนด้ยกันเวลาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเวลาจะไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมกลับมารู้สึกตัวจะไปทํางานจะไปเที่ยว ก่อนที่จะออกเดินทางหรือก่อนที่จะหรือระหว่างที่กำลังเดินทางระหว่างที่กําลังไปไหนเนี่ยก็ให้กลับมารู้สึกตัวอยู่เสมอเราจะไปข้างหน้าได้ต้องกลับมานะกลับมารู้สึกตัวถ้าเราไม่กลับรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้หรือไปข้างหน้าก็ไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าเคยมีหนังสือเคยอ่านหนังสือของ ท่านติดนทันนะติดนันทานนี่ก็เป็นพระชาวเวียดนามที่หลายคนรู้จักเป็นชาวพุทธที่มีชื่อเป็นที่สองรองจากเทเลรามะนะในเรื่องของความเป็นที่รู้จักท่านเขียหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็มีการแปลเป็นไทยแต่ไม่ค่อยได้พิมพ์เผยแพร่เท่าไหร่ไม่เหมือนเล่มอื่นเเรื่องนั้นชื่อว่าทางกลับคือการเดินทางต่อ แค่ฟังชื่อเรื่องหนังสือแล้วเนี่ยก็งงกันนะทางกลับคือการเดินทางต่อความหมายหนึ่งก็คือว่าเราจะไปต่อได้เนี่ยหรือเราจะไปข้างหน้าได้เราต้องกลับมาถ้าเราไม่กลับเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้หรือว่าไปไม่ถึงนะกลับยังไงนะไม่ใช่กลับด้วยด้วยขาด้วยเท้านะจะกลับมารู้สึกตัวด้วยใจด้วยสติจะไปข้างหน้าเนี่ยอย่าลืม ต้องกลับมารู้สึกตัวตั้งแต่วินาทีแรกเลยเพราะทำไมกับรู้สึกตัวเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะขับรถนะขับรถจะมาวัดก็ดีจะไปจะไปบ้านก็ดีจะไปเที่ยวก็ดีเนี่ยถ้าไม่รู้สึกตัวนี่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนพลิกคว่ำ หรือว่าแหกโค้งชนเสาอันนี้เพราะอะไรเพราะความลืมตัวเพราะความหลงอาจจะเพลินนะโทรศัพท์เพลินหรือว่าเล่นลายขณะที่ขับรถไปด้วยไม่รู้สึกตัวแล้วดุงดีใจลอยวางแผนนะคิดว่าเออจะมาทอดจะไปทอดกรถินที่ไหนดีอีกสองเดือน วางแผนทำบุญบ้านใจลอยค่ะที่ขับรถเนี่ยอันนี้มันก็ไม่รู้สุดตัวนะถ้าทำเงี้ยไม่ถึงนะอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางไม่ถึงจุดหมายนะแต่ จ, จะถึงปลายทางนะปลายทางชีวิตนะจุดหมายการเดินทางกับปลายทางชีวิตนี่บางทีเป็นคนละอันนะจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตก็คนละอันเหมือนกันจุดหมายชีวิตหลายคนก็หมายถึงการได้ เป็นอธิบดีเป็นปลระกระทรวงเป็นนายรัฐมนตรีเป็นซ e o แต่ปลายทางชีวิตนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะบางคนหลายคนไม่ถึงจุดหมายของชีวิตนะแต่ว่าปลายทางชีวิตะถึงแน่แต่ว่าถ้าให้ดีก็รักษาตัวไว้ก่อนอย่าถึงปลายทางชีวิตมันเร็วนักแต่ถ้ามันจะถึงก็ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัย ถึงตอนนั้นก็อย่าลืมกลับมารู้สึกตัวให้นคนเราจะไปข้างหน้าได้มันต้องกลับมานะกลับมารู้สึกตัวเปรียบเหมือนกับการยิงธนูนะยิงธนูเนี่ยเราอยากจะให้ลูกธนูพุ่งไปข้างหน้าเราก็ต้องดึงธนูถอยหลังก่อนแล้วต้องเหนียวสายธนูให้กลับมาที่ตัวเรากลับมา กลับมาไกลเท่าไหร่เนี่ยลูกธนูมันจะพุ่งออกไปข้างหน้าได้เร็วแล้วก็แรงเท่านั้นแหละธนูมันจะไปข้างหน้าได้เพราะว่าเราดึงมันออกมาอที่ลําตัวชันนั้นก็ชั้นนั้นเราจะไปข้างหน้าได้เนี่ยต้องกลับมากลับมาที่ตัวเรากลับมาที่ใจของเรากลับมาที่ความรู้สึกตัว แล้วเราก็จะไปถึงที่หมายไม่ใช่แค่ถึงแต่ว่าปลอดภัยด้วยในทางใดกันเวลามีปัญหาเจออุปสรรคอยากจะแก้ไขมาู้ล่วงอยากจะหาทางออกให้เจอก็ต้องกลับมารู้สึกตัวก่อนอย่าวพึ่งคิดแต่จะหาทางออกจนลืมตัวจนลืมกลับมาที่ใจของเรา ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกทั้งนั้ น, น, นถ้าเรารู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นมันเหมือนกับหอไตรเนี่ยนะถ้ามันมืดเราจะหาทางออกทางลงเนี่ยคงยากเพราะมันมืดเงี่ยไม่รู้ตรงไหนเนี่ยเป็นทางลงแต่ถ้าเปิดไฟสว่างเมื่อไหร่โอ้เราก็เห็น นะทางออกทางหลงคนที่จะพยายามแก้ปัญหาจะแก้ด้วยความหลงด้วยความมูสึกตัวเนี่ยก็มือนอยู่ในห้องมืดนะถ า, ามในห้องเนี่ยอาจจะมีโต๊ะมีเก้าอี้วางแระเกะระกะพยายามมาทางออกแต่ว่าเดินชนเก้าอี้เดินชนโต๊ะนะไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าเปิดไฟสว่างเมื่อไหร่โอ้ ก็รู้เลยนะตรงนี้เป็นโต๊ะเก้าอี้มันขวางทางเราก็เดินหลบนะไม่ชนจนเจ็บตัวเราก็เห็นทางออกด้วยอ้อนี่ประตูอทุกปัญหามันมีทางออกนะถึงแม้ว่าดูเหมือนจะไม่มีทางออกอย่างน้อยก็มีทางออกอยู่ทางหนึ่งนะทางออกนั่นคือทางเข้านั่นเอง เราเข้าไปในห้องแล้วก็มองหาทางออกมองไปยังไงก็หาไม่เจอแต่ถ้าเราลองหันกลับทางออกมันก็อยู่ต่อหน้าเราละนั่นคือทางเข้าจากคนที่คิดแต่จะมองไปข้างหน้าเอาแต่มองไปข้างหน้ามองเท่าไหร่ก็ไม่เจอประตูออกเพราะว่าห้องนั้นมันมีประตูหรือ ทางเข้าเพียงแค่ทางเดียวมองไปข้างหน้าไงก็ไม่เจอแต่ถ้าเรามองหันกลับมาลองวกกลับหันกลับเราจะเห็นทางออกนั่นคือทางที่เราเข้ามาต้องกลับมานะต้องกลับมากลับมารู้สึกตัวปัญหาหลายหลอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราหลงเราลืมตัว คนที่ติดการพนันเนี่ยจนเป็นนี้เป็นศินก็พยายามหาทางนะว่าทำยังไงถึงจะไม่เป็นหนี่ไม่เป็นสินทำยังไงถึงจะ เ, เล่นแล้วได้ไม่มีเสียนี่เล่นแล้วมีแต่เสียเสียก็ต้องพยายามหาทางพยายามไปศึกษากลยุทวิธีไปหาครูบาอาจารย์ ไปหาเทคโนโลยีมาที่จะช่วยทำให้สามารถจ ะ, ะถ่ายไพ่ถ่ายลูกเตา๋าหรือถ้าเล่นละแพ้ก็ก็ไปห า, ปหายางอื่นไปพนันอย่างอื่นแทนเช่นไปเล่นพนันบอลเงี้ยพนันบอลก็เจ๊งขาดทุนก็หรือเป็นนี้เป็นสิ่งก็ไปหาทางอื่น ก็คิดอยู่นั่นแหละหาทางออกเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไม่หมดเนื้อหมดตัวการพ น, นันแต่เขาลืมไปนะว่าไอ้วิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดคือว่าเลิกเล่นนั่นแหละนะทางออกเนี่ยอยู่ที่ทางเข้าเข้าสู่การพ น, นันนะแล้วก็เจอปัญหาสมรุมมากมาย คิดแต่จะแก้นะแต่ว่าแก้ยังไงก็ไม่ปัญหาก็ไม่หมดนะจนกว่าจะเลิกเล่นนะั่นแหละปัญหามันจะหมดติดเหล้าก็เหมือนกันคนเราเนี่ยไม่ได้หลงไม่ได้เมาเนะี่ยเพียงเพราะเหล้าหรือการพนันเท่านั้นนะบางทีมันหลงหรือเมา เมาอารมณ์นะไม่ใช่เมาเหล้าเมาอารมณ์อารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในใจแล้วก็ปล่อยให้มันลุกลามนะจนเข้ามาเผาใจเราเหมือนกับไฟที่ไหม้ป่าถ้าบ่อยครั้งมันไม่แค่ไม่ใช่แค่เผาใจเรามันทําลายบันทอนร่างกายของเราทําให้เจ็บป่วยแล้วแถมยังไปบันทอนทำลาย คนรอบข้างคนที่อยู่ใกล้ตัวคนรักทำให้เขาเป็นทุกข์เจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าเกิดความเสียหายนั้นทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นตรงที่ว่าปล่อยให้อารมณ์มันครอบงำใจแต่ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวเมื่อไหร่นะอารมณ์เหล่านี้มันก็จะไม่สามารถจะครอบงำใจได้เมืม่อเราพอเราเปิดไฟสว่าง ดูแลดูแลทาความสะอาดหา้องให้ดีนะพวกสัตว์ร้ายมันก็ไม่มีที่อาศัยเปลี่ยงเข้าเราเปิดไฟสว่างความมืดก็หายไปเมื่อใดก็ตามที่มีความมืดนะมันก็มีอันตรายแค่เดินเนี่ยก็ จ, จะสุดของหกลม้ม หัวฟาดพื้นทำใจให้ของไรสว่างนะด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราตื่นนะบางคนตื่นหรือตาเปิดแต่ว่าก็ไม่รู้สึกตัวใจลอยบางทีไม่ได้เมาอารมณ์นะแต่เมาความคิด มีความคิดเกิดขึ้นก็หลงจมอยู่ในความคิดแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันใช้เราความคิดเนี่ยมันต้องการที่จะขยายอิทธิพลให้แพร่หลายพอมันเจอความคิดติ่ต่างจากมันมันก็จะพยายามทำลายแล้วมันก็ใช้เราเนี่ยให้ทำลายคนที่คิดต่างจากเราใครที่คิดต่างจากเราความคิดมันก็สั่งให้ ไปด่าไปว่าความคิดมันสั่งให้ตัดญาติขาดมิตรนะกับคนที่คิดไม่เหมือนเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะเป็นเพื่อนเพียงเพราะมีความคิดทางการเมืองไม่ตรงกันนะไอความคิดนั่นแหละที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันก็สั่งให้เราว่าเขาด่าเขาหรือว่า ไม่คบคาสมาคมกับเขาเลยแต่ถ้ามีอำนาจก็อาจจะจับนะอาจจะจับเข้าคุกนะนะเพื่อให้ความคิดนั้นเนี่ยมันสูญหายไปให้ความคิดนี่มันน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้ผู้คนเป็นทุกข์แล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันก็เพราะว่าให้ความคิดมันมาครองใจมันมาใช้เรา ให้ทำลายซึ่งกันและกันเพียงเพราะว่าอีกคนนั้นอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยคิดต่างจากสิ่งที่อยู่ในหัวเราอันนั้นเราไม่ได้ทํำนะจริงๆเนี่ยความคิดมันสั่งให้ทําเหมือนกับอารมณ์มันนะถ้ามันโกรธเนี่ยมันก็สั่งให้ด่ามันก็สั่งให้ทําลายแม้ว่าคนที่ถูกกระทํานั้นจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอันนี้เรียกว่าหลงนะ ถึงแม้ว่ายังตื่นอยู่แต่ว่าไม่รู้สึกตัวอาจจะว่ารู้สึกตัวทางการแพทย์นะแพทย์บอกว่ารู้สึกตัวแล้วเพราะว่าไม่สลบยาชาหมดฤทธิ์แล้วหรือว่ายาสลบหมดฤทธิ์แล้วนะแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยถือว่ายังไม่รู้สึกตัวหลงลคนเราทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ตื่นอยู่แต่อาจจะเหมือนคนละเมอก็ได้เพราะความไม่รู้ตัว ควรเราเวลาละเมอนะีมันทํำอะไรได้หลายยามกันนะเดี๋ยวนี้มันมีการละเมอแบบใหม่เนะี่ยละเมอแชทนะโลกใหม่นะละเมอแชทคือตื่นมาเนี่ยไม่ตื่นนะ่ะมันมีเสียงแชทอ่ะ ม, มันมีเสียงมันมีสัญญาณส่งรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือก็ตื่นแต่ไม่ได้ตื่ น, นยังหลับอยู่แต่สามารถจะแชท ต, ต, ตอบกลับไปได้แต่ก่อนไม่มีแต่ละเมอนะละเมอเดินเพ่นพ่าน ในห้องคนที่ละเมอนี่ยเขาเปิดประตูได้นะเขาเดินลงบันไดได้นะเดินออกจากบ้านยังได้เลยแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวแต่ในความคิดของเขาเนี่ยขณะที่หลับเนี่ยเขาฝันไปและสิ่งที่เขาฝันเนี่ยมันเห็นภาพชัดเห็นภาพชัดเลยแต่ว่าไอ้ภาพที่เขาเห็นในในในใจเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเมื่อไหร่เาเราฝันนะน่ะ เวลาเะฝันเนี่ย <c oughs> บออ่อยค้า้งภาพที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันชัดเหมือนจนเหมืนว่าเป็นความจริงแต่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาให้คนที่ระมอชัดเนี่ยเขาก็คิดว่าเขากลางตื่นขึ้นมาชัดนะส่งข้อความทางไลน์บ้างแต่ที่จริงไม่ใช่เขาหลับอยู่หลับเนี่ยก็ยังสามารถทําอะไรได้ดังคนที่ทำโน่นทํานี่อยู่ในเวลากลางวันเนี่ย ถึงแม้ตาก็เปิดเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยไม่ต่างจากคนละเมอนละละเมอแบบนี้เยอะด้วยนะเราววันนี้ก็เป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันเราทําอะไรได้วยความไม่รู้ตัวด้วยความหลงด้วยความก็ไม่ต่างจากคนละเมอนแล้กลรรับมาสึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสว่างจะสว่างเราจะเห็นชัดเรารู้ชัดแล้วก็เราจะ รักษาใจของเรานะให้มันปโปร่งร่วงเบาสบายจะ ก, กลับรู้สึกตัวได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยสตินะใช้ ส, สติเพื่อที่จะดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่จมเข้าไปในความคิดไม่ไหลไปใ น, ในอดีตไม่ลอยไปอนาคตไม่ส่งจิตออกนอกจับอยู่สิ่งที่อยู่นอกตัวจนลืมตัวมองไปข้างหน้าจนไม่เห็นใจของตัวปล่อยให กิเลดปล่อยให้มารร้ายเข้ามาครอบงําย่ำยีงยั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าเราจะเริ่มรู้เลยว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยกุ้มอกกุ้มใจเนี่ยเป็นเพราะใจมันไปยึดเอาไว้ใจมันไปแบกเอาไว้เหมือนกับเราแบกก้อนหินนะนะแบกก้อนหินเนี่ยนะแกกนนนนะม้แต่คนละเมอก็ยังรู้สึกว่ามันหนักนะคนที่ละเมอเนี่ย เผือแบกก้อนหินเอาไวค้คนเราทุกวันนี้ก็เหมือนคนละเมอที่แบกก้อนหินเอาไว้แล้วก็รู้สึกมันหนักแล้วก็หาทางว่าทำยังไงก้อนหินมันจะเบาจะมีใครมาช่วยยกบ้างหรือว่าจะมีปั้นจันที่มาคอยดึงคอยรั้งเอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องแบกหนักแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยแก้ปัญหาแบบนี้แหละคนส่วนให ญ, ญ่แก้ทุกแบบนี้แหละแต่สิ่งที่ไม่ได้ทาก็คือวางก้อนหิน ฉลาดในการที่จะหาทางทำให้ก้อนหินมันเบาลงคิดหาวิธีทำให้ก้อนหินมันไม่หนักแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำเลยก็คือการวางมันนี่ทางออกอยู่ที่ทางเข้าความหมายนี่แหละก็คือว่าทุกตรงไหนก็แก้ตรงนั้นทุกเพราะอะไรก็จัดการที่เหตุปัจจัยตรงนั้นมันทุกเพราะแบกหินก็วางก้อนหินลงไม่ใช่ไปคิดหาว่าทำไงจะให้ก้อนหิ น, น, นเบา เอาหินมาสักเอาสิวมาส ก, กัดนะให้มันเล็กลงนะหรือว่ามีอะไรมาคอยดึงมันเอาไว้นะปั้นจั่นคอยดึงมันเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องแบกหนักมีคนมาช่วยแบกกันนะคนส่วนใหญ่คิดแต่แค่นี้แหละแต่สิ่งที่ไม่ได้ทำคือวางมันลงที่ไม่วางมาลงเพราะอะไรเพราะลืมตัวแต่พอรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันวางเลยนะมันวางเลย เพราะว่าเป็นพ่อลืมตัวตั้งแต่แรกเนี่ยถึงแบกที่โกรธเนี่ยนะเพราะว่าไปแบกความโกรธไปยึดความโกรธเอาไว้แล้วที่มันโกรธเพราะเป็นไปติดอยู่ในความคิดบางเรื่องบางบางบา ง, บางประเด็นอดีตบ้างอนาคตบ้างพอจิตมันจมเข้าไปในความคิดเนี่ยมันก็ปรุงอารมณ์ขึ้นมาก็มือนกับถูกขัง น, นะหรือเหมือนกับอติดอยู่ในรถไฟเนี่ย แต่อยู่ในรถไฟออกไม่ได้ก็วิ่งไปวิ่งมานั่นแหละรถไฟขบวนก็ยาวมีหลายตู้แต่จริงมันไม่ได้ติดหรอกเพียงแต่เราโดดเข้าไปเองเราโดดเข้าไปในขบวนแห่งความคิดรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็รู้เลยนะโอ้เรานะทําไมเผลอเข้าไปเข้าไปอยู่ในรถขบวนนี้ได้มันออกมาเลยนะออกมา เรสังเกตมาพอเรารู้สึกตัวเนี่ยความคิดที่มันยืดยาวนี่มันมันหายไปเลยเราหลุดออกมาเลยเรียกว่าวางนะเรียกว่าวางวางมันลงอั น, นพยายามนะพยายามทําให้ใจเราเนี่ยตื่นจากความหลงความหลงนี่มันมีสองอย่างนะอย่างแรกคือไม่รู้ตัวอันนี้เป็นปัจเกิดขึ้นอยู่เป็นครั้งเป็นคราวมีสติเมื่ อ, อไหร่ความรู้ตัวความไม่รู้ตัวก็หายไป อยู่กันหนึ่งคือไม่รู้ความจริงนะก็คือมีอวิชชานั่นเองอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนพื้นเลยไม่รู้ตัวนี่นะพอมีสติ ป, ปุ๊บก็รู้ตัวแต่ว่าไม่รู้ความจริงนี่มันต้องอใสยปัญญานะต้องใส่ปัญญาเห็นความจริงเมื่อไหร่เนี่ยการอาวิชชามองก็หายไปแต่ว่าการที่จะเห็นหรือรู้ความจริงได้ก็ต้องเริ่มต้นเริ่มต้นจากความรู้ตัวก่อน นะรู้กายรู้ใจเห็นลักษณะความจริงของกายและใจแล้นั่นแหละมันก็จะทำให้รู้สัจธรรมความจริงจนกระทั่งปล่อยวางได้แต่ก่อนเนี่ยแบกหินพอรู้ตัวมันก็วางแต่ถ้าต่อไปเนี่ยถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะแม้แต่การแบกก้อนหินก็จะไม่แบกที่แบกก้อนหินเพราะเมันเป็นนุ่นไงเชือกมันเป็นนุ่นเชอมันเป็นของดีเชือกมันเป็น เป็นของประเสริฐเป็นเงินเป็นทองแบกเอาไว้โดยที่ไม่ร่วมเป็นก้อนหินแต่รู้ว่ามันหนักพอรู้ตัวปุ๊บมันวางแต่ว่าพอเจอหินก็แบกใหม่นะอันนี้เพราะความหลงไม่รู้ความจริงว่ามันคือก้อนหินนะมันไม่ใช่ทองมันไม่ใช่เงินมันไม่ใช่นุ่นนะให้การเห็นความจริงเนี่ยนะมันทำให้ไม่ยึดไม่แบกเลย การรู้ความจริงเนี่ยมันทำให้ไม่ไปเริ่มต้นไม่ไปแบกตั้งแต่แรกแต่แบกแล้วเนี่ยถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่มันก็วางนะเมื่อรู้ความจริงเนี่ยนะแม้แต่อารมณ์อ ก, กุศลก็ไม่เอานะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกแรกของหลวงปู่มั่นเขาเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถามว่าหลวงปู่มีโกรธไหมนะท่านตอบว่ามีแต่ไม่เอา พอท่านเห็นความจริงว่าความโกรธมันไม่น่าเอาเลยที่จริงไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวอย่างอื่นด้วยนะเงินทองยศถาบรรดาศักดินะ์ลาบยศสารเสรือพวกนี้เนี่ยใครๆก็เห็นว่าเป็นของดีของประเสริฐนะแต่พอรู้ความจริงเห็นความจริงว่านะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาเลยก็วางนะเมื่อวางแล้วก็สบายใจกป็ปลดโปร่งโลง ให้เมื่เราไม่ได้่ก็ตามที่เราทุกข์นะทุกข์ใจเนี่ยให้ลองนะกลับมารู้สึกตัวก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ทําให้เราได้เห็นทางเห็นทางออกหรื อ, อย่างน้อยก็เห็นว่ามันมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้าจะได้ไม่ไปเดินชนเห็นว่ามันมีงูอยู่หรือเปล่าอยู่ข้างหน้าจะได้ไม่ไปเดินเหยียบไม่มีเศษแก้วอยู่ไหมนะจะได้ไม่ได้ไปเดินเหยียบทับมัน ความรู้สึกตัวเป็นจุดเริ่มต้นนะของการหาทางออกจากปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะพาชีวิตไปสู่ความหมดทุกข์เป็นจุดเริ่มต้นของการทําให้เห็นความจริงนะจนความทุกข์แอบคล่องกับจิตใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานะจะกลับไปบ้านเนี่ยก็อย่าลืมนะกลับมารู้สึกตัวอยู่ จริงต้องรู้สึกตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เตือนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆกลับไปบ้านก็พยายามดำเนินชีวิตของเราให้มีความสึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวอาบน้ำถูฟันล้างหน้าก็รู้สึกตัวกินข้าวก็รู้สึกตัวอย่าปล่อยใจลอยเวลาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะก็ให้รู้สึกตัว อาจจะมีสติกับการพลิกมือไปมาระหว่างที่ถ่ายหนักถ่ายเบ้าหรือตามลมหายใจก็ได้หลายคนบอกไม่มีเราปฏิบัตินะแต่ถ้าเรามีเวลาเข้าห้องน้ํานั่นแหละเราปฏิบัติได้แล้วละ่ะใครก็ตามถ้ามีเวลาเข้าห้องน้ําก็แสดงว่ามีเวลาปฏิบัติคนเราอยู่ในห้องน้ําเนี่ยวันหนึ่งก็เป็นชั่วโมงนะรวมทั้งการแต่งหน้าแต่งตาการหวีผม มีคนเขาคํานวณว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าอายุอายุประมาณเจ็ดสิบ้าเนี่ยจะอยู่ในห้องน้ําทั้งชุดประมาณเจ็ดปีอยู่ในห้องน้ำเจ็ดปีนะถ้าอายุประมาณเจ็ดสิบห้าเนี่ยไอ้เจดปีนี้เอาแค่เอาแค่หนึ่งในเจ็ดเนี่ยนะมีสติอยู่การปฏิมีสติมีความรูม้สึกตัวระหว่างที่เข้าห้องน้ำเนี่ยแค่หนึ่งในเจ็ดของเวลาทั้งชีวิตที่อยู่ในห้องน้ําเนี่ยมันคือปฏิบัติธรรมหนึ่งปีเต็ม มันยิ่งกว่าเข้าคอสิอเข้าคอี่แค่เจวันนะแต่ถ้าเราเพียงแค่ปฏิบัติด้วยการเจริญสติทางเวารู้สึกตัวเวลาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแค่หนึ่งในเจของเวลาที่เข้าทั้งชีวิตเนี่ยมันได้เยอะทีเดียวอยู่บนรถเนี่ยก็อย่ามวัวแต่ปล่อยใจให้อยู่กับความหงุดหงิดให้หงุดหงิดนะอย่าให้ความหงุดหงิดมันคลองครองใจอย่าให้ความเครียดเนี่ยมันย่ํำยีจิตใจ เพิ่งกเทเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะ365วันเนี่ยใช้เวลาอยู่บนถนนหรืออยู่บนท้องอยู่บนรถเนี่ย60ถึง70วัน60ถึง70วันนี่หมายถึงว่าคูณ24ชั่วโมงนะไม่น้อยทีเดียวนะเราใช้เวลาอยู่บนถนนหรือบนรถเนี่ยในรถเนี่ย60ถึง70วันไอ60้60ถึง70วันเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นนะก็คือ60ถึง70วันแห่งการตกนรก นะแต่ถ้าวางใจเป็นนะมันก็คือช่วงเวลาแห่งความสงบความสบายคงเทบใช้เวลาอยู่บนถนนเยอะมากนะไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินทางการถึงสุขแต่รวมถึงสาววะทีก็เดินทางใช้รถนะไปต่างจังหวัดมาก่าจะมานี่ก็หกเจดชั่วโมงก็ไปแล้วกลับไปหก็ดชั่วโมงนะปีหนึ่งเนี่ยนะอยู่บนรถเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบวันถ้าทำความรู้สึกตัวแค่ ครึ่งหนึ่งนะหรือหนึ่งในสามเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วนะยี่สิบสามสิบวันหรือว่าสามสิบห้าวันในหนึ่งปีก็มากกว่าเข้าคอร์สเนี่ยนะสี่ห้าเท่าวันนั้นเนี่ยเขาว่าไม่มีเวลาเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันอ้างไม่ได้นะเรามีเวลาเหลือเฟือเลยสาหรับการปฏิบัติถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัตินะนั่นคือการสร้างความรู้สึกตัวเวลาอยู่นิ่งๆก็ทําความรู้สึกตัวได้นะ อย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยเวลาอุจลรับปัสสาวะก็ทำความรู้สึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้งก็รู้สึกตัว เ, เวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังมองเหลียวคูขาเหยียดขาคู่เข้าเหยียดออกรู้สึกตัวทำได้ตลอดเวลาด้ะนนั่นแหละคือการกลับมากลับมาเพื่อให้ใจเนี่ยมีมีที่มั่นทำให้ใจสว่างก็ฝากเอาไว้นะสาหรับการ ปฏิบัติที่กเราต้องทำต่อไปกับพระองค์กัน